หนึ่งวิพังฆวาระเหตุปัจใจเจ็ดสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สัมปยุจจขันโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามโดยเหตุถูปัจจัยได้แก่เหตุ ท, ที่มีเหตุหต้องประ ห, หารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุท <lers> ี <monumental> ่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธขันธ์และจิตตสมุทานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามมีสามวาระเจ็ดสิบหกสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และมักเบื้องบนสามโดยเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคโดยเหตุุปปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมักเบื้องบนสาม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 เป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันธ์และจิตตสมุฐานรูปโดยเหตุปัจจัยอารามณปัจจัย77สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัคโดยอารามณะปัจจัยได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้น ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นโทมานต์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินทิฏฐิเพราะปรากฏความยินดีเพลิดเพลินทิฏฐินั้นราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นโทมานต์ ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นโทมนัตที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบโทมนัตที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักธโทมนัตที่ม <dressed> ีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคจึงเกิดขึ้นท <odo> ิฏฐิจ <layers> ึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้น สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามโดยอารมณปัจจัยได้แก่พระอริยะพิจารณากิเลสที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักซึ่งละได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ด้วยเจตโตปริยายานขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่เจตโตปริยายานปุเพนิวาสานุิสติยานยะท้ากา ม, มู ป, ปัะขยานอนาคตังสยานอาวัชนะจิตและโมหะโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุหต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และมักเบื้องบนสโดยอารมณะปัจจัยได้แก่เพราะปรารบขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักขันที่เสาะโคด้วยวิจิกิจฉาและโมหะจึงเกิดขึ้น78สดภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสเป็นปัจัจแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสโดยอารมณะปัจจัยได้แก่บุคคลยินดีเพื่อเพลิราคะ ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเพราะปรารกความยินดีเพื่อเพลินราคะนั้นราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบอุทจจะอุทจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้น ป ร, รารคโทมานัตที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาโทมนัตที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นอุทัจจะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารได้โสดาปติมักโดยอารมณะปัจจัยได้แก่บุคคลยินดีเพื่อเพลินราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม เพราะปรารบความยินดีเพื่อเพลินราคะนั้นราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัคจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นโทมนัสที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัคจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบอุทจจะทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นโทมนัสที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบโทมนัส ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาโทมนัสที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรและมรรคเบื้องบนสาโดยอารมณะปัจจัยได้แก่พระอริยะพิจารณากิเรที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม ซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะถากรรมูปักขยานอนาคตังสยานอาวชณะจิตและโมหะ โดยอารมณะปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารกขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสขันธ์ที่เสะหรักโกด้วยวิจิกิจฉาและโมหะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม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 เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามโดยอารมณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานพึงขยาให้พิจารณาเหมือนกับทัศนะติกะเป็นปัจจัยแก่อาวชนะจิตและโมหะโดยอารมณะปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม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 สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามโดยอารมณะปัจจัยได้แก่เพราะปรารบจาก ส, ส, สุ ข, ขันธ์ที่จะหัรู้ก็ดุวิชกิจฉาและโมหะจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบโสตะหาทายวัตถุขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และมักเบื้องบนสาขันธ์ที่เสารอดด้วยวิจิกิจฉาและโมหะจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาโดยอารมณ์ปัจจัยได้แก่เพราะปรารอจากสุหาทายวัตถุขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และมักเบื้องบนสาขันที่สหรคต ด, ด้วยอุทจจะและโมหะจึงเกิดขึ้น80สสภาวธรรมที่มีเหตุ ต, ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยอารมณะปัจจรรรมมัยได้แก่เพราะปรารบขันที่สหรคต ด, ด้วยจิกิกิช้าและโมหะ ขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามโดยอารมณะปัจจัยได้แก่เพราะปรารบขันที่สหรโคด้วยวิธีกิจฉาและโมหะขันที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักมัก เบื้องบนสามและโมหะจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมักเบื้องบนสาโดยอารมณ์ปัจจัยได้แก่เพราะปรารบขันธ์ที่สองโรครด้วิจิกิจฉาและโมหะ ขันธ์ที่สหโรคด้วยวิจิกิจฉาและโมหะจึงเกิดขึ้นแปดสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคโดยอา ร, รมณะปัจจัยได้แก่เพราะปรารบขันธ์ที่สหโรคด้วยอุทัจฉาและโมหะขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคจึงเกิดขึ้น สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาโดยอารมณะปัจจัยได้แก่เพราะปรารกขันที่สโรคด้วยอุทจจะและโมหะขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามจึงเกิดขึ <thế Russell. S 1> ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบืงบนสามเป็นปัจจัยเกี่ยสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามโดยอารมณะปัจจัยได้แก่เพราะปรารุขันธ์ที่สรคตด้วยอุทธัจจะและโมหะขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามและโมหะจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมัคเปื่องบนสาเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมัคเปื่องบนสามโดยอารมณ์ปัจจัยได้แก่เพราะปรารกขันที่สเราก็ด้วยอุทัจจะและโมหะขันที่สเรคด้วยวิจิกิจฉาและโมหะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมัคเปื่องบนสาม และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวาธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบืงบนสามโดยอา ร, รมณ์ปัจจัยได้แก่เพราะปรารกขันที่สหรักว ด, ด้วยอุทะจะและโมหะขันที่สหอรักวด้วยอุทะจะและโมหะจึงเกิดขึ้นอาทิปติปัจจัยแปดสิบสอง สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยอธิปฏิปฏัปจจัยเหมือนกับทัศนติกะมีสิบวาระอนันตระปัจจัย แปสภาวธรรมที่มีเห ต, ต, หเ ต, เหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคซึ่งเกิดฝ่งกรเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัค เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่อมบนสาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สห์รโคด้วยวิจิกิจฉาซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่โมหะซึ่งเกิดหลังโดยอนันตระปัจจัยขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่วุานะโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก เ ป, Yin, เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้อง บ, บนสาโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรโคด้วยวิจิกิชฌาซึ่งเกิดตั้ก่อน kort, เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรโคด้วยวิจิกิชฌาซึ่งเกิดหลังๆและโมหะโดยอนันตรปัจจัย 84. สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารได้มรรคเบื้องบนสาโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารได้มรรคเบื้องบนสามซึ่งเกิดกรรกรเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารได้มรรคเบื้องบนสามซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารได้มรรคเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมรรคและมรรคเบื้องบนสาโดยอนันตระปัจจัย ได้แกขันธ์ที่โสหรักโธด้วยอุทะจะซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่โมหะซึ่งเกิดหลังโดยอนันตระปัจจัยขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่วุฒฐานะโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม โดยอนันตรปัจจัยได้แก่ ข, ขันธ์ที่สหรักโทด้วยอุทจจะซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรักโทษด้วยอุทจจะซึ่งเกิดหลังๆและโมหะโดยอนันตระปัจจัย85ส้าสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ โมหะที่สหรโคดด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคดด้วยอุทจฉาซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่โมหะที่สหรโคดด้วยวิจิกิจฉาและที่สารโคดด้วยอุทจฉาซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสามซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสามซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัย อนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานเนวัสัญญาณาสัญญายาตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติโดยอนันตรัปัจจัยสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเปื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยอนันตรัปัจจัยได้แก่ โมหะที่ส you, ondan, เสหรโคด้วยวิจิกิจฉาซึ่งเกิดตก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตรปัจจัยอาวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม โดยอนันต ร, ประปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรฆุดูอุทัจจะซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรฆุดูอุทจจะซึ่งเกิดห ล, หลังโดยอนันต ร, ประปัจจัยอาวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยอนันต ร, ประปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมรรคและมรรคเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักได้มักเบื้องบนสาโดยอนันตระปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาซึ่งเกิดหลังๆและโมหะโดยอนันตระปัจจัยอาวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรโคดุวิจิกิจฉาและโมหะ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 โดยอนันตระปัจจัยอาวันชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่โสฬโขด้วยอุทัจะและโมหะโดยอนันตระปัจจัยแปสิบหสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ ขันธ์ที่สหะรคด้วยวิจิกิจฉาซึ่งเกิดก่อนกอดและโมหะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สาะรคด้วยวิจิกิจฉาซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ ขันธ์ที่สาะหโรคพเดวิดวจิกิจฉาซึ่งเกิดก่อนๆและโมหะเป็นปัจจัยแก่โมหะซึ่งเกิดหลังๆโดยอ น, นันตระปัจจัยขันธ์ที่สาหโรคพเดวิดวจิกิจฉาและโมหะเป็นปัจจัยแกยวธธวว่วุทฐานะโดยอ น, นันตระประจัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัก และที่มีเหตุไม่ต้องประหาร um. ด, ด้วยโสดาปฏิมาและมักเบื้องบนสาโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่โสระโคตุวิจิกิจฉาซึ่งเกิดก่อนก่อนและโมหะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สระโคตุวิจิกิจฉาซึ่งเกิดหลังๆและโมหะโดยนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาและมักเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาโดยอนันตระปัจจัยมีสามวาระมีข้อความเหมือนกับบทว่าโสดาปฏิมร์สมณันตระปัจจัยเป็นต้น87สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมร์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมร์โดยสมณันตระปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตระปัจจัย เป็น ป, ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยย่อเหมือนกับสหชาติปัจจัยในปฏิจจวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยย่อเหมือนกับอัญญมัญญปัจจัยในปฏิจจวาระเป็นปัจจัยโดยนิจญาปัจจัยย่อเหมือนกับนิจญาปัจจัยในปัจจยาวาระไม่มีขัตนาเป็นแผนกหนึ่งตังหกอุปนิจญาปัจจ hmm ัยแปดสิบแปด สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยอุปนิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปานิสยะอันันตารูปานิสยาและปกระตูปานิสยาปะกระตูปนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยราคะที่มีเหตุต้องประหาร ด, ด้วยโสดาปติมักแล้วฆ <s S 1> ่า <se>. สัต <se>. ว si ์ทำลายสงอาศัยโทสะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัก โมหะทิฏฐิความปรารถนาแล้วฆ่ า, าสัตว์ทำลายสงฆ์ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคโทสะโมหะทิฏฐิความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัค และมักเบื้องบนสโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปปาณิสยะและปะกะตูปนิสยะปะกะตูปนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักแล้วให้ทานทำสมาบัตให้เกิดขึ้นอาศัยโทสาที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักโมหะทิฐิความปรารถนาแล้วให้ทานทำสมาบัตให้เกิดขึ้น ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาปัญญาสุขทางกายทุกข์ทางกายภระสมาบัติและโมหะโดยอุปาเนสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมักเบื้องบนสาม โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปานิสยะและปะกตูปนิสยาปกตูปานิส ย, ะะสยได้แก่ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์โทสะโมหะทิฏฐิความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรารคต ด, ด้วยวิจิกิจฉาและโมหะโดยอุปาณิสยปัจจัย89สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม เป็นป uh. ัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามโูปนิสยาอนันตารูปนิสยะและปกะตูปนิสยะปกะตูปนิสยะได้แก่ราคาที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาโทสะโมหะมานะความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื <Youtube Whoa. S 2> ้องบนสาโทสะโมหะ มานะความปรารถนาโดยอุปาณิสปยสปัปจจัยสภาวะธรมม ร, รโโ ม, ม, ออออารามที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณูปาณิสยาและปกาตูปาณิสยาปกาตูปาณิสยาได้แก่บุคคลอาศัยราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสง์ อาศัยโทสะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามโมหะมานะความปรารถนาแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโทสะโมหะทิฏฐิความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัยความยินดีด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งของของตน เป็นปัจจัยเกิดความยินดีด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งของของคนอื่นโดยอุปาณิสยปัจจัยความยินดีด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งหวงแหนของตนเป็นปัจจัยเกิดความยินดีด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งหวงแหนของคนอื่นโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสาม โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปานิสยาและปะกะทูปนิสยะปะกะทูปานิส ย, ยะได้แก่บุคคลอาศัยราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยโทสะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามโมหะมานะความปรารถนาแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นราคะ ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาปัญญาสุขทางกายทุกข์ทางกายพะละสมาบัติและโมหะโดยอุปาณิยตยปัจจัยสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัติมรรคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัติมรรคและมรรคเบื้องบนสาโดยอุปาณิยตยปัจจัยมีอย่างเดียว เพอปะกะตูปนิสยะได้แก่ราคาที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและมโมหะโดยอุปานิสยาปัจจัยสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักษษและมักเบื้องบนสามโดยอุปานิสยาปัจจัยมีสองอย่าง เพืันนันตารูปานิจยะและประกาศูปนิจยะประกาศูปนิจยะได้แก่ราคาที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ขันที่จะหรูคดด้วยอุทจจะและโมหะโดยอุปาณิสยาปัจจัย90สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสาม โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปะนิสยอนันตารูปนิสยาและปะกะตูปนิสยาปะกะตูปะนิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลปัญญาสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะโมหะแล้วให้ทานศรัทธาโมหะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธา พละสมาบัตและโมหะโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสยอาอันันตารูปปาณิสยาและปะกะตูปาณิสยาปะกะตูปาณิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วถือทิฏฐิอาศัยศีล ปัญญาสุขทางกายทุกทางกายเสนาสนะโมหะแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงศตาเสนาสนะและโมหะเป็นปัจจัยแก่ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมณูปนิสยาอั น, นันตารูปานิสยาและประกระตูปนิสยาประกระตูปนิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะอาศัยโมหะแล้วมีมานะศรัทธาเสนาสนะและโมหะเป็นปัจจัยแก่ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัย สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสโดยอุปาเนสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปานิสยะและปะกะทูปนิยสยะปะกะทูปานิสยะได้แก่ศรัทธาปัญญาสุขทางกายทุกทางกายเสนาณะและโมหะ เป็นปัจจัยแข่ขันที่เสารโคด้วยวิจิกิจฉะและโมหะโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสโดยอุปาณิสยปัจจัยมี2อย่างคืออนันตารูปานิสยาและปะกะตูปานิสยา ปะกตูปตานิสยาได้แก่ชาธาเสนาสะนะและโมหะเป็นปัจจัยแก่ขันที่เสาะรคด้วยอุทจจะและโมหะโดยอุ ป, ปาณิสยาปัจจัย๙๑สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสองอย่าง คืออนันตารูปานิสยะและปะกะตูปานิสยะปะกะตูปานิสยะได้แก่ขันธ์ที่สหัวโรคด้วยวิจิกิจฉาและโมหะเป็นปัจจัยแก่ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแก่ความปรารถนาโดยอุปาณิสยาปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภะและมักเบื้องบนสโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปานิสยะและปะกะตูปนิสยะปะกะตูปนิสยะได้แก่ขันธ์ที่สหรโครคด้วยวิจิกิจฉาและโมหะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาปัญญาสุขทางกายทุกทางกายภะสมาบัตและโมหะโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภะ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 เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่จะหรักโด้วยวิจิกิจฉาและโหมหะโดยอุปาณิสยปัจจัย92สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคโดยอุปาณิสยปัจจัยมีอย่างเดียวคือประกาศูปปาิสยะได้แก่ขันธ์ที่จหรักโถด้วยอุทจฉาและโหมหะ เป็นปัจจัยแก่ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปจัจจัยแก่ความปรารถนาโดยอุ ป, ปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสโดยอุปาณ <c oughs> ิสยปัจจัยมี2อย่างคืออนันตารูปานิสยาและประกรตูปานิสยา ประกาศูปานิสยาได้แก่ขันที่สะหโรคด้วยอุทจฉะและโมหะเป็นปัจจัยแก่ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่ความป ร, รารถนาะโดยอุปนิสยปาปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสาม โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคือนันตรูปานิสยะและปะกะตูปาณิสยะปะกะตูปานิ ส, ย ะ, นสยะได้แก่ขันธ์ที่สหรคดด้วยอุทจฉาและโมห oh ะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาพละสมาบัตและโมห oh ะโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาโดยอุปาณิสยปัจจัยมีอย่างเดียวคือปะกะตูปะนิสยาได้แก่ขันที่จะหรโคตด้วยอุทัจจะและโมหะเป็นปัจจัยแก่ขันที่จะหรโคดด้วยวิจิกิจฉาและโมหะโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมรรคและมรรคเบื้องบนสามโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปานิสยาและปะกะทูปานิสยาปะกะทูปานิสยาได้แก่ขันที่สหรูปด้วยอุทจจะและโมหะเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรูปด้วยอุทจจะและโมหะโดยอุปาณิสยปัจจัย